สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิชยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สามร้อสิบสองเรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่แปดสิบเจ็ดขออย่านาค่าพรงเข้าไปในการทดลองพี่น้องครับในเช้าวันนี้ <c oughs> ผมจะใช้เวลาสั้นๆด้วยสองประเด็นที่สำคัญก็คือประเด็นแรกจะเป็นคำถามที่เกี่ยวข้อง กับประสบการณ์ของท่านที่เข้าไปในการทดลองที่ได้ถูกมารซาตานใช้การทดลองนั้นกลายเป็นการล่อลวงเพื่อให้เราทำบาปประเด็นที่สอง <c oughs> อยากจะหนุนใจพี่น้องในเรื่องพระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับความบาปและการป้องกันการระวังภยัยการระมัดระวังเพื่อที่เราจะไม่ทำบาปนะครับ ประเด็นแรกครับก็คือคำถามที่เกี่ยวข้องกับความบาปคำถามแรกความบาปเข้ามาในชีวิตของเราทางไหนครับความบาปเข้ามาในชีวิตของเราทางไหนครับคําตอบอาจจะมีหลายคําตอบนะครับและมันเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของท่าน บางคนความบาปอาจจะมาทางตาครับบางคนทางปากความบาปอาจจะมาทางปากครับบางคนก็ทางการรับรู้การสัมผัสประสาสัมผัสต่ตางๆหรืออย่างอื่นครับที่ท่านมีประสบการณ์ความบาปนั้นเข้ามาในชีวิตของเราในช่องทางต่างๆครับ อาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับที่เป็นเข้ามาและแน่นอนครับทุกอย่างนั้นมันสรุปลงตรงที่ความคิดและการตัดสินใจตัดสินใจที่จะทำบาปหรือไม่ทำบาปตัดสินใจที่จะเชื่อฟังการล่อลวงหรือคำหลอกลวงที่มาจากมารสาตานหรือไม่ คำถามข้อที่สองครับใครที่เป็นแบบอย่างของเราเมื่อเราถูกทดสอบทดลองใครที่เป็นแบบอย่างของเราเมื่อเราถูกทดสอบทดลองเราจะต้องมีต้นแบบใช่ไหมครับต้นแบบที่บวกต้นแบบที่ดีก็คือเขามีใจใชนะเนือการทดลอง ต้นแบบที่เป็นลบหรือเป็นต้นแบบที่ไม่ดีก็คือคนเหล่านั้นก็พ่ายแพ้การทดลองมีหลายตัวอย่างมากมายนะครับในโลกนี้ซึ่งอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักนะครับหรือว่าเป็นคนที่เรารู้เรื่องเขาแต่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวหรืออาจจะเป็นคนที่เลยเราเคยฟังเทศนะของเขา หรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในเครือญักรของเราหรืออาจจะเป็นคนที่เรานั้นได้เชื่อมั่นในตัวของเขาคนเหล่านี้ครับก็มีทั้งบวกทั้งลบ ค, ครับในการที่เขาจะเผชิญกับการทดลองและเขาจะชนะหรือไม่อย่างไรคําถามข้อที่สามครับพระเยซูทรงชนะการทดลองได้อย่างไร พระเยซูทรงชนะการทดลองได้อย่างไรอยากให้พี่น้องตอบนะครับพระเยซูชงทรงชนะการทดลองได้ด้วยพระวจนะของพระเจ้าและการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์สั้นๆสองอย่างนี้ครับพระเยซูทรงชนะการทดลองด้วยพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ คำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะใช้โพชนะของพระเจ้าได้อย่างไรก็คือการอ่านโพชนะสิครับการท่องจำโพชนะครับการเรียนโพชนะครับการอ่านโพชนะพระเจ้าทุกวันในช่วงการเฝ้าเดี่ยวหรือการฟังเสียงจากศรีบา น, นี่ยครับก็จะช่วยได้เป็นคําอธิบายพระคมภีสั้นๆแต่และวัน วันละประมาณสิบนาทีอย่างเนี้ยครับก็จะสามารถช่วยได้แต่ไม่สามารถทดแทนการอ่านพระคัมภีร์ของท่านส่วนตัวได้นะครับพี่น้องอย่าลืมการอธิษฐานมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวก็จะสร้างภูมิคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกันเมื่อเราเข้าสู่การทดลองนะครับและพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธ์ก็เช่นเดียวกันครับทรงนำพระเยซู ให้ชนะการทดลองอย่างไร พ, พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทรงนำเราให้ชนะการทดลองได้ชั้นใดชั้นนั้นพี่น้องครับคำถามต่อไปก็คือเคล็ดลับภายในของชัยชนะเหนือการทดลองของคุณคืออะไรเคล็ดลับภายในของชัยชนะเหนือการทดลองของคุณคืออะไร นะครับเราต้องมีท่าไม้ตายครับเราต้องมีเรียกว่าเคล็ดลับในการที่จะเอาชนะการทดลองได้ซึ่งท่านเคยผ่านมาแล้วอะไรครับลองแชร์เรื่องนี้กับเพื่อนๆหรือกับพี่น้องหรือกับพี่เลี้ยงหรือน้องเลี้ยงของท่านได้ไหมครับว่าท่านเอาชนะการทดลองได้ยังไงท่านมีเคล็ดลับอย่างไงบ้าง ค, คำถามต่อไปครับถ้าทีอะไรที่เราสามารถมีได้เพื่อป้องกันตัวเองจากการทดลองท่าทีอะไรที่เราสามารถมีได้เพื่อป้องกันตัวเองจากการทดลองนะครับคําตอบง่ายๆก็คือว่าถ้าทีขยะขยะงถ้าทีรังเกียจ ถ้าทีที่รู้สึกไม่สบายเมื่ออยู่ใกล้ความบาปเมื่ออยู่ใกล้สิ่งล่อลวงเมื่ออยู่ใกล้บรรดาคนต่างๆที่มาล่อลวงเราคําโบราณบอกว่าคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลใช่ไหมครับคบคนพาลคนพาลพาไปหาผิดนั่นแหละครับถ้าเรามีความรู้สึกว่าอยากจะมาโบ อยากจะคบกับเพื่อนที่เป็นคริสเตียนที่ดีนั่นแสดงว่าเรามีท่าทีที่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเรามีความสึกไม่อยากมาโบสถ์และเรามีความรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปสู่อั บ, บายาุกในขณะเดียวกันก็มีเพื่อนที่อยู่ในอ บ, บายาบุกุ้รู้สึกว่าคบเขาแล้วสบายใจอันนี้เป็นท่าทีอีกประเภทหนึ่งคําถามต่อไปครับก็คือว่าการตอบสนอง ภายนอกต่อการทดลองต้องทำอย่างไรการตอบสนองภายนอกต่อการทดลองต้องทำอย่างไรคำตอบคือว่าต้องเด็ดขาดครับถ้าเราตัดสินใจว่าวิ่งหนีเพราะนี่คือความบาปให้วิ่งเลยครับเหมือนกับโยเซฟนะครับโยเซฟวิ่งหนีการยั่วยวนของภรรยาโปติฟาภรรยาของเจ้านาย คำตอบคำถามประการที่เจ็ดครับพระสัญญาของพระเจ้าสําหรับเราเมื่อถูกทดลองคืออะไรพระสัญญาของพระเจ้าสําหรับเราเมื่อถูกทดลองคืออะไรพี่น้องครับหนึ่งโคริน์บทที่สิบข้อสิบสามครับหนึ่งโครินบทที่สิบข้อสิบสามพี่น้องคงจะจําได้นะครับไม่มีการทดลองใดๆที่เกิดขึ้นกับท่าน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 รางวัลของผู้ชนะการทดลองคืออะไรยากอบบทที่หนึ่งข้อสิบสองครับยากอบบทที่หนึ่งข้อสิบสองคนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นจุขเพื่อเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์โปรดฟังอีกครั้งครับ